ผมคงเคยไม่เคยได้ฟังเทศอาจารย์ไปโลดมึงเคยเคยได้ฟังบ้างยกมือขึ้น การฟังเทศน์อาตมานๆถือว่ามาบ่นให้ ท่านเรารู้สึกตัวว่าเราทําไม่ดี ไม่ตั้งใจฟังอย่างหนึ่งล่ะฟัง เมื่อเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วเนี่ย ทุกเกิดขึ้นทุกดับไปทุกเกิดขึ้น จำแนกมาเสร็จเรียบร้อยใครจะสุขใครจะ การที่มาเกิดเป็นคนเป็นสัตว์ล้วนมืดมนต์มลทกาลก็ไปเป็นสัตว์ จิตดีขึ้นมาหน่อยนึงก็มาเป็นคนหรือ Bằngคน svoj, bằngคน khí le, bằngคน sủng, bằngคน tằm. Bằngคน m'e súc m'a, bằngคน m'e thúc m'a. Ân'i n'yé, phấn ngàn k'o'ng l'eo t'hàm m'a l'eo t'hàm m'a l'eo. Tha'a patrua j'ao k'o'ng l'eo m'ong heen tst à da da da da da da da da da da da da da da da da da da ไม่รู้ตั้งแต่กี่ภพกี่ชาติจะเกิดเป็นคนทุกข์คนยาก และเพราะความโง่ของจิตของเราทุกคนก็อยากจะมา เห็นมั้ยใจอยากจะมีความสุขแต่พอใจที่จะอยู่กับๆเราเรายังไม่ พยายามทำๆจะเป็นคนเป็นผู้มีความถูกสมบัติอายุมันควรยืน เมื่อรู้แค่นี้ก็ทําแค่มาแนะนําให้ เราก็เลยทําอยู่แค่นี้ทําแค่ยากยากมากอย่างคุณบาอาจารย์สอนอายาตโยมไปสร้างธนาสร้างโบสถ์สร้างวิหารตาย พอแล้วก็เสียสละจตุปัจจัยกันถามธรรมธรรมธรรมธรรมธรรมพอตายแล้วอยากจะ ความคิดของเรามันยังหยาบอยู่ธรรมะ สนใจแค่ดูแลกายแค่ดูแลกายความสกปรกโสมอกหมกหมกไว้วันหมกไว้วัน 1 วัน 100 เท่านั้นเองแต่จิตใจจิตมุ่ง หาแต่สมบัติอยากจะมีสมบัติมากๆอยากจะ คิดแต่เรื่องความมีคิดแต่เรื่องความเป็นคิดเมื่อกิเลสพา ผลลัพธ์คืออะไรผลลัพธ์คือความเพราะอะไรเพราะผล เราจะต้องมีนายมีคนควบคุมความคิด คุณธรรมที่การกระทำนั้นมีอยู่มีทาน ญาติซึ่งเป็นบุญในเบื้องต้นพอใจแต่การให้ทานโยมบ่อยๆ อยากอยากมีความสุขมั้ยอยากมีสิน การให้ทานให้ทานด้วยทุนมากจะให้ทาน ทำไมถึงว่ามันผิดถ้าเราไม่ทิ้งอะไรมันจะเกิดขึ้น ถามโยมหน่อยว่าคนรวยน่ะคนมีเงินมากๆนั่น แน่นอนความทุกข์เกิดจากอุปทานคือ ไม่มีประโยชน์อะไรกับบุคคลผู้ๆถ้า ตั้งใจเหมือนกับเราหาเงินหาทองตั้งใจปฏิบัติเหมือนกับเราหาเงินๆดืน เพราะความคิดผิดคิดว่าความมีทรัพย์สมบัติจะมีความสุขถ้าเราคิดไม่ออกก็นึกวาดภาพดูสินึกวาดภาพพระพุทธเจ้าของเราดูพระพุทธเจ้า มีเป็นใหญ่ขนาดไหนขนาดไหนเป็นใหญ่ขนาด ล้วนทนมากถ้ามันมีอยู่ถ้าเราเห็นของที่มันไม่มี แต่ก็อดเอาทนว่าทําไมคนถึงมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่ ท่านบรมเป็นความเพียรไปเป็นเวลา 6 ปีกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้ามา ด้วยตนเองโดยปัจจกะความกังวลแต่ว่า รู้แต่ลมหายใจถามว่าโยม ชีวิตของคนมนุษย์อยู่ที่ลม ราคะมันเกิดขึ้นก็วิ่งตามมันเกิดขึ้นก็ตามมันจิตใจก็บอดมองไปข้างหน้าก็มืดมองไปข้างหลังผ่านมาแล้วเป็นยังไงจําไม่ได้ไม่รู้เรื่องแล้วปัจจุบันเป็นยังไงก็มืด พอจิตมันมืดมืดเนี่ยน่ะถึง เวลาความทุกข์ทางใจเกิดมาวิ่งไปหากับเงินกับทองกับญาติกับพี่กับน้องว่าไปกับลูกกับหลานวิ่งไป เวลาทุกข์เราสร้างขึ้นมาเวลาอยากจะให้พระช่วยดับให้เอ้าไฟไฟไหม้หัวเราไม่มีปัญญาดับให้วิ่งมาหาผู้ แล้วจะไปหาครูบาอาจารย์ให้ดับ คําว่างามเห็นที่นี้เนี่ยให้เห็นจากจิตไม่เห็นจากการฟังที่อาจารย์ไปเล่าพูดให้ฟังเห็นๆคนเราก็ พูดจริงๆให้ฟังก็ยิ่งยิ่งๆ เราอยากรวยไปขอหวยพระโยมซื้อๆอยากจะรวยเชื่อฟัง เด้อท่านผมว่าจังว่าโยมวันนี้เทวดามาหาเท่านั้นแล้วโยม ไม่ค่อยเชื่อแล้วไม่ค่อยเชื่อแล้วเพราะโยมๆแล้ว<ย> โอ้โยมเริ่มสุกแล้วสบายไปแล้วอ่าเพราะฉะนั้นวัน จำไว้นะโยมวิธีแก้ทุกข์ก็บอกง่ายดี พูดอะไรก็ไปกินอาหารท้องไม่ดีรู้สึกปวดท้องสอน อยากจะให้พระหาวิธีแก้ทุกข์ ผมปวดท้องทำไมตั้งแต่หายผมเป็นอะไรน้องโรง เรียกว่าเอาหูไอ้ที่ฟังโทรศัพท์ใส่หูๆนะเหมือนหมอแพทย์ฟัง ตอนที่ผลการตรวจออกมาจะก็ทําหน้า โดนผ่าตัดเพราะไม่อยู่ 50 50 เนนไปทําอะไร เนียนจะโดนโดนผ่าตัดเอากลับคืนมาเท่าเออกูตายแน่หมดลูกกู พอดีวันลงขึ้นมาก็มีพระโอน Nen kà bọc m'o, at m'a m't l'uuc keleid le m'o. M'o gò m'i l'úuc v'à iu aignaï? Nen k'ay bọc m'a m't l'uuc keleid. Bọc th'a i ajàrri m'o t'hi u... vat d'oï p'uyi th'an leirian j'b' m'o ma th'an t'ruz d'o l'au, w'at m'a m't l'uuc keleid. M'o gò m'i l'úuc keleid aignaï? Gò n'ang c'i n'ang c'i n'ang c'i n'an. ก็เลยย้อนถามเนนม่าหาอุบายที่ว่าทํายังไง ผู้หญิงคลอดลูกหรือพ่อคลอดลูกหรือแม่คลอดลูกแม่มันออกลูก พ่อเคยคลอดพ่องมั้ยไม่เคยมีแต่พ่อไปขี้ไม่เคลื่อนแล้วเคลื่อนมีมดลูกแต่ผู้หญิงจะไป มันถือมันที่พระพูดได้ฟังออกหมดเลย อาหารให้กินหน่อยได้กว่าหายไปกลับสบายสบาย คนเราเนี่ยขอให้แก้ความเห็นผิดออกจากใจ ถ้าไม่มีเกิดมันก็ไม่มีตายไม่มีเกิดมันก็ไม่มีตาย เมื่อคิดอยากจะเกิดคิดอยากจะเกิดมันก็ต้องๆถ้าใครรู้จัก ถ้าไม่ได้ฝึกภาวนาแล้วเราไม่รู้จักบุญจังบาปนะทําไมถึง ทำบาปก็มีทุกข์เพราะบาปคนทำเยอะยะหมดเลยบางคนไปทอดกฐินอยากได้หน้าได้ตายืมเงินยืมทองมาทอดกฐินอ่าเป็นหมื่นเป็น อยากจะได้หน้าอยากได้ตาทำ อโหสโลดทำบาปให้ว่ามีความสุขไม่ใช่ไม่จริงหรอกเออมีความทุกข์บังโดด ไปเล่นเมียเขาสุขเหลือเกินนะโหลดมันมันเต็มห้องเต็มได้ปลาเยอะ ที่ทํานั้นน่ะมาตอนไหนไม่แยะไป รับต้อนรับแก่ญาติโยมทั้งพังเพราะๆคิดๆอ่ะถึงจะ การที่คิดว่ามีสุขและมีทุกข์อันนี้มันอยู่ที่อุปาทาน เออเมื่อไหร่จะเลิกสักทีทุกข์อืมถ้าใครไม่ มาเกิดได้นั้นเราจะต้องปฏิบัติตัวของตัวเองแล้วมัน มีอาจารย์องค์หนึ่งสมัยเป็นหนุ่มๆ อยู่ต่อมาช่วงปลายๆอายุจนจะแก่จังหวัดปัญหาก็ ทางมาพร้อมกันหมดโรคเบาหวานโรคเก่า 1 เดือน 15 วันจาก 15 วัน 7 วันจาก 7 วัน เป็นโลกอันที้หน้าสงสารなเป็น zone ทลมานมา金อายมาครล่ IN เมื่อฉันไม่ได้อยากจร regulations ตรงล์อัจ tehd Chain어�인지 McDonald สบ jets นร์มัีเสร็จ นаров จรังป satisfy 责อัจ มีแต่ไฟร้อนเป็นไฟมีขาเจ็บขาปวดทุกทรมานวันนี้ท่านจําลอาหารภาพๆสั่ง ทางลูกศิษย์ลูกหาพ่ออยากฉันเหลือเกินตอนเย็นๆฉัน ไม่ฟอกตายมั้ยไอ้ผู้รู้ศาสตร์อ้าวเมื่อวันจะตาย ใส่รถเข็นจาก คายๆมันสว่างขึ้นมาเมื่อมันสว่างแล้วมองดูความทุกข์โอ้โหยมันมหาโหดทุกข์หนักๆ ภาวะเสร็จแล้วได้ 7 8 วันกระดูกมันเป็นธาตุๆเดี๋ยวนี้นะ ถามหน่อยเธอว่าคนเกิดมาแล้วที่ไม่มีสุขทุกข์ไม่มีสุขมีมั้ยเดี๋ยวนี้น่ะ ฟังงี้ดีนะเรานั่งนานๆมันมีความทุกข์ลุกขึ้นเดินความทุกข์หายไปสุขขึ้นมาแทน ต้องป้อนอาหารกินเลี้ยงอาหารมันทุกวันทุก หายไปความๆเห็นนะเอ้าเข้าไปอยู่ในท้องนาน 4-5 ชั่วโมงทุบขึ้นมา ทุกข์ปวดท้องขี้นี่ว้ายยิ่งทุกข์หนักนะถ้าไม่มีส้วมแล้วมหาโโหดเลยนะเออทุกข์ปวดท้องขึ้นมาอีกแล้วต้อง อ่าสบายสักพักนึง 2 ชม. 3 ชม. เกิดขึ้น ตายไปแล้วเอาไปอะไรไม่ได้สักอย่าง เคยโยมคนดีกับคนชั่วปัญหาโยมใครการมาตอบใดไหม ที่จริงน่ะคนดีน่ะ ส่วนคนชั่วเรารู้ว่ามันไม่ดีแล้วไม่เข้าใกล้มันก็ไม่มีพิษถึงคิดอะไรอยู่ตลอดเวลาแม้ตาย เพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกจิต เอาวกเข้ามาๆให้พิจารณากายของตัวเองให้ คิดว่ามันเป็นๆตัวตนที่นั่ง แยกออกทีละอย่างละอย่างเอาผมเอา yeah, ดูที่โยมหนังบางๆที่มันห่ม เกิดความสังเวชขึ้นมาเอะเราเหมือนเกิดขึ้นมาเนี่ยๆเมื่อเรารู้การทําความเพียรเนี่ยไม่ หากแต่ว่าให้เราสร้างสติคุมจิตของตัวเอง ตาดีเหมือนคนตาบอดยังไม่บอดได้ยังไงดูดีลงดูดีไอ้คนเจ็บแล้วก็เห็นคนแก่แล้ว ปาวกลับมาแล้วไม่รู้เรื่อง มีต้นไม้ต้นหนึ่งใบนั่งลงแล้วก็เอ็น ท่านก็ปิดอารมณ์ในดินทุกลาก ดูดเอาปุ๋ยอันนั้นขึ้นไปบนยอดเอามาเป็นใบเป็นใบเล็กเป็นใบแดงๆเป็น Mm hmm. เป็นใบไม้ใบเดียวมันวิ่งขึ้นยอดลงตื่นตู่ดินวิ่ง เมื่อเป็นเด็กแล้วก็เป็นคนโตเป็นเด็กแล้วก็เป็นคนโตในระยะนั้นก็ต้องตั้งทํามา จิตก็เอากรรมดีกรรมชั่วทีละก่อไม่นั่นไปก่อพบก่อชาติ วัดสว่างขึ้นมาทันเองความยึดๆไม่ก็ง่ายเนาะแต่ ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาถ้าคนใดศรัทธาอ่อนแดไม่มีทางไปธรรมพระสงฆ์จริงมั้ยพุทธัง บางคนบ่นทุกวันท่องทุกวันเวลาจะตายมาโอ้โหยบ่นหา ไม่ได้คิดแล้วได้คิดแล้วอีแม่ช่วยลูกด้วยอีแม่ช่วยลูกด้วยหน้าสังเวช ความตายอย่าไปกลัวตายให้มีความทุกข์ก็ พอยแต่ไม่รู้ด้วยนะตายเหมือนๆกันหมดแต่ปีไป เมื่อปี 2504 น่ะเอ้ย 5 ตอนนั้นเป็นยังเป็นเนน ก่อนที่จะนมท่านปัญจมรภาพไปเห็นบารมี ในคณะที่พวกคณะที่พวกญาติพอทันพ่อขึ้นบน ชักดิ้นชักงอขึ้นร้องไห้วิดเลยนะตอนนั้นชั้นเป็นเนนอยู่ เมตตาสงบนิ่งนะพอฟื้นตัวขึ้นอยู่มาระยะหนึ่งแล้ว ไปหาอาจารย์ธงชัยที่นครตะวันอาตมา ขณะท่านพ่อยังตายนะในมรภาพเราทําไมจะไม่ตายโก แล้วก็อยู่มาอยู่มาจากนู่นมานี่เป็น 50 กว่าปียังได้เปลี่ยนแบงค์ยังไม่เปลี่ยน ดาวก็เสาต้นนั้นที่ท่านธรณีนั่งน่ะตอนเราเป็นพระเรามาฟังเทศน์ จะๆให้ฟังก่อนดูไม่มีอะไรเลยนะฟังก่อน ไม่รู้จักใจอย่าคิดคิดแต่ว่าผู้คิดคิดนู่นคิดๆยังไม่รู้ถาม จิตใจผู้รับรู้ผู้จิตคือผู้คิดใจผู้รับรู้ผู้รับรู้ฟังให้ เราจะต้องสร้างความรู้สึกอีก ขั้นตอนมันมีอยู่ 3 อย่างสติความรู้อย่างหยาบจิตความรู้อย่างกลาง มากๆพลความคิดถ้าสติมันมากคือมหาสตินั่นแหละคิดอะไรก็มันรู้คิดเรื่องดีเรื่องจิตเลยรู้สึกตัวจะ มามันคิดอะไรมันเชื่อมไปหาจิตแล้วมันคิดอะไรมันจะ พอเข้าหาธาตุเดิมของมันแล้วทีนี้มันจะไม่มีฟัง ถ้าใครเวลาจะตายนะใครเวลาจะตายนะเวลา มอบกายถวายชีวิตแก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาเริกาตาย มหันมันเกิดๆทําความดีให้ ศรัทธาความเอ่อความเชื่อสติ รู้มั้ยโยมจิต กรรมฉันพยาบาลทินมีทะอุทธัจจะกุกิจจวิกิจิจฉาราคะโทสะโมหะอย 5 อย่างนี่น่ะ แล้วปวดความปวดท้องหายไปต้องหาหมออย่าเอายาแก้ปวดท้องมาทานความปวดท้องหายไปเหมือนกันถ้า นะบอกไว้อ่านเธออ่านแล้วไปคิดไป ให้พวกเราว่าพุทโธพุทโธดูลมหายใจเคยเป็นมั้ยบางครั้งๆๆเดียวสงบบางครั้งทํา รู้จักคําว่าสบายมั้ยไม่ยาวไม่สั้นให้พอดีพอดีเหมือนกับ ให้คิดอย่างนี้คิดอย่างนี้การไม่มีทางที่จะรู้ใจตัวเอง อันไหนมันคิดขึ้นมาอันไหนแล้วมันมันไม่ดีแล้วไม่มันไม่ดีแล้วๆถึงสิ่งมันถึงที่มันพร้อม ผมจีวรแบกกดแบกนั้นเรียบร้อยคนบางคน คิดจริงนะถ้าใครไม่เป็นบ้าคนนั้นจะไม่เป็นคนดี ทุกๆยากๆอดๆยากๆเหมือนคนพี่บ้าหลวงปู่อาการที่เวลาท่านทําความเพียรนะท่านเอาจริงๆนั่งตากแดดทั้งวันฝนตกก็ไม่ไปแดดออกก็ไม่เอาไม่ไปนั่งอยู่เนี่ย หาเวลามันหิวไม่ข้าวของมันถวายนี่ปล่อยมันบุดมัน พอท่านปฏิบัติถึงขั้นแล้วท่านเลิกการทําอย่างนั้นเนี่ยโยมเอ้ยเวลากูบ้า เมลากูบ้ากับสูงหาว่ากูเป็นคนดีใจต้องดักแน่นให้มันคงสัทจะจริงใจสัทธาวิริยศเราต้องสร้างเหตรนะถ้าไม่มีเหตรผลว่าจะไม่เกิดเหตร ที่จะให้เกิดปัญญาก็คือทุกข์ความทุกข์นี่แล้วหิวข้าวหน่อย หลวงปู่จาท่านเคยเล่าไปอยู่กับพวกชาวเขากินข้าวกับเครือกินข้าวกับน้ำอ้อยกินค้างกับกล้วยอยู่เป็นเดือนๆท่านอยู่ท่านเล่าให้ฟังไปอยู่กับพวกชาวดอยเขา เอาแต่กวยเอาแต่น้ำอ้อยให้ท่านฉันวันหนึ่งแล้วจะบอกเนื้อเอาปลาแม่จันน่ะจะบอกไปก็ ท่านข้าวกับน้ําก็เลยถามว่าเอ้าหลวงพ่อทําไมฉันข้าวกับน้ํากินกันกินเนื้อกินปลาไม่ได้หรือท่านบอก เพราะฉะนั้นรู้อยู่แล้วว่าชีวิตเนี่ยน่ะจะอยู่ เย็นท่านเดินย่ำกลมเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาได้มั้ย เขาทำทางจงกรมขึ้นให้นึกให้หาว่าพุทโธพุทโธเดี๋ยวพุทโธมันจะเกิดขึ้นมาแล้วๆพระๆขณะมันเดินจงกรมไปมาไปมา 7 วันได้เลือกตัวปุถุคือพระได้แล้วก็ยิ่งยากนานนะ พวกเราเนี่ยมาบวชชีพาลกันทุกปีทุกปีครูบายิ่งอายุแก่มากเท่าไหร่ยิ่ง อย่าไปหวงหวงลูกหวงหลานหวงทรัพย์ อันนี้โยมมีสมบัติอยู่ใช่มั้ยมีบ้านมีช่องมี ซึ่งสับเวียนร้ายตายเกิดอยู่ แต่เราทําแล้ว เพราะฉะนั้นแก่ตัวมาแล้วต้องสิ่งที่ไม่ต้องการก็จะได้ตรงนี้ให้ ความสุขก็จะน้อยลงอันนี้เหมือนกันหมด คือไม่ได้สนใจมึงอยากแก่ก็แก่ไปอยากเก็บก็เก็บไปอยากตาย อันนี้เหมือนกันนี้เหมือนกันลองคิดดูให้ดีมาเกิดแต่ไม่อยากก็ต้องปฏิบัติตัวของตัวเองทํา ความโลภความโกรธความหลงถึงจะถึงมันมีๆจนกระทั่งว่ามันหมดออกจากใจเราอันเนี้ย อาหารอันไหนมันบูดมันเน่ามันไม่ดีเราก็เลือกทานท้องเราก็ไม่พังจิตมัน นักกิจจะไม่เกิดโรคได้ยังไงจิตจะสว่างได้ยังไงจิตจะสงบได้ ไม่ให้ความสําคัญกับมันมันก็ไม่มีผิดมันมีภัยปัญญาเพื่อกําจัด ขอให้ตัดอารมณ์ให้มันขาดแล้วก็แล้วกันโดย ทำลายสังขารทำลายวิญญาณออกจากจิตถึงจะไปนิพพานนะโอ้ไกลๆงามๆ สัญญาความจําได้มั้ยรู้สังขารความปรุงความแต่งวิญญาณความรู้รับหมดอย่างนี้จะ เป็นคนอยู่นี่นะบางครั้งเป็นเศรษฐีราชานไม่รู้สึกตัวหรอกเห็นมั้ยๆถ้าไป ห้าโมงแล้ว น. ไหว้พระเออเนี่ยอาตมามาพูดบรรยายให้ญาติโยมฟัง พยายามอยากจะพูดทุกอย่างๆถ้า อย่าเพียงแต่ว่าได้ยินแล้วก็ผ่านไปอย 15 16 นะ จูงแขนแม่ออกจากบวชหลังหนูหนูใช่ค่ะแม่หนูหนูอีกหน่อยหนูนี่มันมองๆไม่ ถ้าบุคคลงั่วก็บอกโอ้โหอันนี้สวยเหมือนเทวดาเมื่อเกิดว่า ถ้าเกิดนานๆแล้วก็ต้องแก่ต้องทุกข์ทรมานมีอย่างเดียวที่ไม่อยาก 1 ชั่วโมง ปี 365 วันทําทุกวันทุกวันทําไม่จะไม่ดี พูดไม่รู้กี่ครั้งกี่คราวสอนตั้งแต่เป็นเด็กจนโตเราเคยเรื่องของคนได้ดีพ่อ คนลอยน้ําอยู่ในกลางน้ําในหนะในบ่อในอ่าง ให้เกิดความสุขคือทุกข์ก่อนเข้าใจมั้ยสร้างเหตุของความทุกข์ หลวงปู่จามท่านบอกว่าท่านนั่งภาวนามันเงามันง่วงนอนเหลือเกินทํายังไง 7 วันยังไม่ยังไม่เลิกเอาอีกถึง 15 วันลองไปเป็นก้อนที่มันเหลวไหลอยู่ทุกวันเนี่ยจะทําให้มันเป็นก้อน ทำทุกวันปั้นมันทุกวันร่างเลยกายเราก็เหมือนกันรับประคับประคองกายอยู่ เรเรามองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในลักษณะของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้ให้ว่าบ่อยๆไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวๆให้ภาวนาบ่อยๆตื่นๆเมื่อคิด ของเราไม่มีเราไม่มีมันก็ทิ้งไปได้นะมรณะมรังเมพระพุทธติคือความตายย่อมมีแก่เราแน่นอนเวลาจิตไม่สงบมัน คนตาขาคนเองนึกถึงความตายทุกลมหายใจนะ สลัดออกจิตไม่มีตัวไม่มีตนจิตสลัดออกอะไรมั้ยจิตไม่มีตัวไม่มีตนความสุขความทุกข์ อย่างเราเกิดความเกิดว่าลูกตายเนี่ยจะตะละๆนะอืมมีอาจารย์องค์หนึ่งสอนญาติดีๆปฏิบัติดี อยู่มาวันหนึ่งมาวันหนึ่งลูกชายเกือบลูกชายแกกําลังตายผู้แม่ก็เสียอกเลือดคําสอนที่ท่านสอนมาน่ะอาจารย์อาจารย์ ด่าเลยแหละโอ้โหทีนี้มันโกรธพระบัดนี้มันโกรธอาจารย์บัดนี้ดอกอะไรนะว่าไปคิดเอาความ อาลัยอบอวลกับลูกมันหายไปหมดมีแต่ความโกรธเพราะพอมันอัตโนมัติเพราะกิริตของ ความห่วงโลกนั่นก็เบาลงพอทํางานศพเสร็จเรียบร้อยถึงมานึกถึงอาจารย์เทศน์ขาดมากทําให้เขาอาจารย์อาจารย์ เทศน์ให้ฟังเลยนึกถึงคําเทศน์ทุกๆๆพระบาอาจารย์บางองค์น่ะบวชมา 80 90 พอแม่ตายทนเองไปบันไปเทศบ่ <c oughs> จะไม่มีแม่อีกแล้วคิดถึงแม่ทั้งที่เทศงานศพไม่รู้เป็นแต่ ไม่แหลมคมไม่เฉียบขาดๆนี้ที่เป็นลูกมหันต์อันนั้นท่านยอดจริงนะพ่อแม่ตายอยู่ที่จบวนหวังทั้งโลดรวดไป เพราะท่านฝึกมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าบุคคลใดก็ตามกำบังกันผิดกันภัยกันอันตรายได้ทุกอย่าง ใจของเราเดี๋ยวนี้เหมือนกับว่าเราเข้าสู่สงครามโดยๆๆๆอ่าเราต้อง ต้นแลเป็นที่พึ่งของตนอันนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยพระถ้าเราทุกคนมี ให้สักแต่ว่ามีให้สักแต่ว่าเป็นทําได้มั้ยสักแต่ว่าอยู่มันจะรวยมันจะมีจะจนมัน ต้องหาวิธีกําจัดออกคํานั้นได้เออพูดให้ฟังเวลาเกือบ 2 ชั่วโมงแล้วมั้ง <c oughs> อยู่บ้านโดยปุยมีวันพระ 1 ปีมีอยู่อย 12 วันสบายเพราะ 40 ปีรู้สึกสบายมากไม่มีความ จะตายแล้วจะมาเกิดอีกมั้ยหนอเท่านั้นเอง tots tothom Evangeli amb